พระธรรมตามพระไใจปีเดกครั้งที่91โลกกระทำทั้งแปดประการก็คือหนึ่งความทุกข์กับความสุขหายพ้นบ้างไม่พ้นเนาะมีกายร่างก า, กายก็ต้องได้รับทุกข์รับสุขอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อมีการเกี่ยวข้องก็จะต้องมีลาบแล้วก็เสื่อมลาบมีได้มีเสียเขาว่างนั้นเนี่ยแล้วก็มีได้ยศเสื่อมยศ เมื่อเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนทั่วไปคนชอบเขาก็ช ม, มเรียกสรรเสริญคนชังเขาก็แช่งเรียกนินทาโลกกระทำทั้งแปดประการเหล่านี้ก็เป็นของธรรมดาสัตว์โลกเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็วนเวียนอยู่กับโลกกระทำโลกกระทำก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปอยู่ในสัตว์โลกเหล่านี้นั่นแหละดังั้นบัณฑิตในปางก่อนเขารู้เรื่องโลกกระทำอย่างดีจริงเขาก็ไม่เศร้าโศกแม้แต่นิดเดียว อุบาสกนั้นก็เลยกราบทูลนราธนาพราะองค์ก็นำอดีตนิทานมาตรัสว่าในอดีตการพระเจ้าทศรถมหาราชทรงละความถึงอาคติคือไม่ลำเอียงด้วยโลภะด้วยโทสะด้วยโมหะด้วยพยาคติพระองค์ไม่มีอาคติทั้งสี่ประการสเสวยราชสมบัติอยู่โดยธรรมในเมืองพารณสีอัคารมเหสีผู้เป็นใหญ่กว่าสตรี หนึ่งหมื่นหกพันนางของเท้าเธอมเฮศีนี่ยเยอะนะพระราชาสมัยก่อนเนี่ยคําว่าหมื่นหกพันเนี่ก็คือมากนั่นเองมเฮศีที่เป็นอัครามเหสีก็คือมเหสีที่เลิศประสูตยโอรสได้สองพระ อ, องค์แล้วก็พระธิดาอีกหนึ่งพระ อ, องค์พระโอรสองค์ใหญ่ชื่อว่ารามบัณฑิตองค์น้องชื่อว่าลักขณะบัณฑิตแล้วก็พระธิดาองค์เล็กชื่อว่าศรีดาเทวีชื่อพระนางศรีดานาะ แม้ชื่อเหมือนรามเกียรติ์เพียบเลยนะชื่อพระรามชื่อพระลักษณะชื่อนางสีดาเง่ชื่อคล้ายกันแต่คนงานกันครั้งจำเนียนการผ่านไปพระอัครมเมหสีก็สิ้นพระชนแม่ของพระรถเหล่านี้ก็สิ้นพระชนไปพระราชาเมื่อพระนางสิ้นพระชนแล้วก็ถึงอำนาจแห่งความเศร้าโศกอยู่ตลอดกาลนานใครบ้างที่ภรรยาตายแล้วไม่ทุกข์บังเนะ ภรรยาสุดที่รักตายนี้จากไปก็ทุกตรมตรอมใจอยู่นอนทีนี้พวกอํามาศก็กราบทูลให้ทรงสั่งก็ไปปลอบอกปลอบใจเออธรรมดาคนเราเกิดมา ก, ก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็มีความตายเป็นที่สุดรอบนะไปปลอบใจพระราชาให้สั่งจากความสุขแล้วก็กระทําการบริหารที่ควรกระทําแก่พระนางก็คือพอตายแล้วก็ทําพิธีเผาศพไปเรียบร้อย แล้วก็แต่งตั้งสตรีอื่นเอาไว้ในตําแหน่งอัคระมะหาเสีเออตายแล้วก็หาใหม่ก็แล้วกันไม่ได้ไม่ต้องไวเศร้าโศกอะไรถึงคนตายแล้วทีนี้ก็ไปหาผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นที่ถูก อ, อกถูกใจของพระราชานางนั้นก็เป็นที่รกักเป็นที่เจริญใจของพระราชามเหาสีใหม่ก็อย่างว่านะตอนอยู่ด้วยกันกันกบมหาเสีเก่านี่ก็รกักกันแทบเป็นแทบตายนั่นแหละตายนี้จากไม่กี่วันเจอใหม่เข้ามาอา้าวงามอีนกนัน ไม่คิดถึงของเก่าแล้วก็เหมือนกับทานอาหารนั่นแหละยอมชีวิตของคนนะที่เกี่ยวข้องกันอะ่ะอาหารมื้อก่อนเนี่ยอมันอร่อยจริงจริงเลยนะเสร็จแล้วพอผ่านไปมื้อนี่มันก็อร่อยอีกเหมือนกันเพราะฉนสิ่งเหล่านี้ก็คือกามาคุณห้ารูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะ ท, ทั้งหมดเหล่านี้ก็คือกามาคุณห้า้นกามาคุณห้าทั้งหมดเหล่านี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่ามันเหมือนกับความฝันอะ่ะเหมือนกับของข อ, งขอยืมอะ่ะ มันไม่ได้เป็นของสาวนิรันดรอะไรมันเป็นของชั่วครั้งชั่วคราเท่านั้นแหละใครผู้ใดได้เสพได้เสวยก็เป็นของผู้นั้นนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสและโัพพะทีนี้อยู่ด้วยกันนานมาพระนางก็ทรงคันแม่เหสีใหม่ก็แพ้ท้องอีกแล้วก็ได้รับเครื่องบริหารคันก็เลยประสูดพระราชโอรสม่อีกองคหนึ่งพระประยุรยาก็เลยขนานนามพระโอรสนั้นว่า พระรัตคูมารเชื่อว่า พ, ะพราะพระรัตพระราชาก็เลยตรัสว่าแน่นางผู้เจริญชั้นขอให้พรเธอเธ อ, อจงรับพรเอาไปเถอดด้วยความสเสน่หาในพระโอรสแม่คลอดลูกออกมาลูกชายงามน่าดูเลยผู้เป็นแม่ก็เลยให้พรสค่ายกับบางคนเนี่ยสามารถให้ลูกได้ก็ซื้อรถให้คันหนึ่งเลยอย่างเงี้ยเคยได้ยินบ่อยนะบางคนเนี่ยภรรยาให้ลูกชายคนหนึ่งเออถอยร ถ, ถออกให้คันหนึ่งเลยเก่งมากและให้ลูกชายได้ น, นี้ก็เหมือนกันพระราชาก็โอ้เก่งนะก็เลยให้พรเลยทีนี้พระนางก็ทรงเฉยเสียนางนี่มีแผนนั่นแหละแผนในใจคิดไว้มีถ้าระหัสว่าเรารับตรงนี้มันก็ไม่ได้นะก็เลยงุบงิบในใจไว้ก่อนก็ทําทีว่าเอ้อรับครับแต่ยังไม่บอกว่ามันคืออะไรทีนี้จนพระกุมารพระตากุมา น, นี่มีอายุได้เจ็ดแปดพรรษาเจ็ดแปดขวบอะ่ะก็เลยเข้าไปเฝ้าพระราชามเหสีใหม่เนี่ย กราบทูลว่าทูลกระหม่อมพระองค์นี้พระราชทานพรเอาไว้ให้แก่กระหม่อมชั้นบัดนี้ขอทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระพร น, นั้นแก่หม่อมชั้นซึ่งพระองค์ได้ตรัสว่าเออเราจะให้พรแก่เธอเมื่อพระราชารับเอาว่าเิอพนางผู้เจริญก็กราบทูลว่าข้าแต่ทูลกระหม่อมขอพระองค์ โปรดทรงพระกรุณาพระราชทานราชสมบัติแก่บุตรของกระหม่อมฉันด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอพรเนี่ยก็ไม่ขอแล้วแก้วแหวนเงินทองขอบ้านขอเมืองให้ลูกอ่ะผู้เป็นแม่ก็อยากให้ลูกได้เป็นใหญ่เป็นโตก็เลยขอบ้านขอเมืองนี่ให้ลูกเลยพระราชาก็เลยตบพระหัตถ์ขึ้นนะตบมือขึ้นด้วยความโกรธขึ้นมานะก็เลยโูว่าเจ้าจงย่อหยับะ เ, อเอนนถอะนางถ่อย ลูกของข้าสองคนเนี่กําลังเจริญรุ่งเรืองเหมือนกองเพลิงเจ้าจะให้ข้าเนี่ยข้าคนทั้งสองเสียจแล้วขอราชสมบัติให้ลูกของเจ้าหรอือคือลูกของภรรยาเก่าหรือมเหสีเก่ามันก็มีลูกชายทั้งสองคนได้ใช่ไหมนี่ลูกชายสองคนเนี่ยถ้าหากว่าไปมอบราชสมบัติให้ไอลูกภรรยาน้อยเนี่ยลูกเมียใหม่เนี่ยแล้วลูกสองคนนั่นจะเอาไปไว้ที่ไหนอ่ะมันจะให้ข้าลูกเก่าทิ้งหรือไงเหมือนกัน พระราชาก็เลยไม่พระราชาทานพระพรแก่นางเฮ้ยไม่ต้องเอาลอกโกรธด้วยนาะนางก็เลยคิดว่าอืมนางม่เห็สีก็เลยตกใจเหมือนกันก็เลยเข้าไปสู่พระตำหนักอันทรงเสด็จทีนี้ถึงวันอื่นเล่าก็เลยทูลขอราชาสมบัติเนืองๆอยู่นั้นแหละขอเรื่อยวันนี้ไม่ให้ก็ไม่เป็นไรนไมันใหม่ขออีกพระองค์นะเป็นพระราชานะเป็น ก, กษัตริย์ตรัตคืนคําได้เลยไงไปแปลว่าเลยพระราชาที่ชักใจไม่ดีแล้ว พระราชาขั้นไม่พระราชาทานพรแก่นางทีนี้เอ๊ถ้าหาว่าเราไม่ให้ก็เลยคิดต่อไปว่าขึ้นเชื่อว่ามาตุคามเป็นคนอากตัอยู่มักทําลายมิตรนางนี้จะพึงปลอมหนังสือหรือจ้างคนโกงหาไปควกคนโกงฆ่าลูกทั้งสองของเราเสียก็ได้เนี่ยถ้านางขอแล้วก็เราก็อ้างว่าบ้านเมืองนี้ต้องยกให้ลูกชายเนี่ยลูกชายมเหสีเก่าใช่ไห เดี๋ยวมเหสีใหม่เนี่ยวางแผนฆ่าพระราชโอรสทั้งสององค์ทิ้งก็เลยเอยจะทำยังไงดีพ่อองค์ก็เลยตรัดสั่งให้ราชโอรสทั้งสองเข้าเฝ้าตัดความนั้นแล้วก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ลูกทั้งสองฟังแล้วก็มีพระดำรัสสั่งว่าพ่อเอ้ยอันตรายจะคงมีแก่พวกเจ้าผู้อยู่ณนะที่นี้อยู่ในบ้านในเมืองพ่อเป็นพระราชาก็ไม่ได้ว่าป้องกันลูกไว้ได้ทั้งหมดนะ เพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรแน่นอนสักอย่างเจ้าทั้งหลายจงพากันไปสู่แดนแห่งสามมันตร ات ไปอยู่บ้านอื่นเมืองอื่นเถอะหรือว่าไปสู่ราวป่าพากันมาต่อเมื่อพ่อตายแล้ ว, พ, ลวพ่อตายแล้วค่อยมากันแล้วกันยึดเอาราชสมบัติอันเป็นของตระกูลเธอราชสมบัตินี้ก็เป็นของบรรพับบุรุษของเจ้านั่นแหละถ้าพ่อตายแล้วก็มาเอาบ้านเอาเมืองคืนก็แล้วกันอย่างนี้แล้วก็รับสั่งให้หัวราชาเข้ามาเฝ้าอีก ถามถึงตําหนดพระชนมาายุของพระ อ, องค์คือโหราจารนี้ก็พวกดูเลิกดูยามดูวันเดือนปีเกิดดูลักษณะดูตามตําราพวกนี้ก็ฟังว่าพระราชาเนี่ยจะยั่งยืนอยู่ตลอด12ปีข้างหน้าพระราชาอีก12ปีตายตามวันเดือนปีเกิดเลิกยามแล้วคนที่คลอดในเลิกนี้จะต้องตายในอายุประมาณเท่านี้เขาสามารถดูได้นะตามโหราศาสตร์ ผู้ที่เรียนโหราศาสตร์มาดีๆนี่สามารถทํานายได้ยมผู้การรู้เลยว่าถ้าเส้นลายมือขึ้นเนี่ยจะไปต่างประเทศหรือไม่ได้ไปเนี่ยพอมองออกยังดูให้อดัมาเลยว่าเส้นมันยังไม่ออกเลยเส้นไปต่างประเทศนั่นก็อยู่เชียงใหม่ไปก่อนเพราะงั้นก็เลยตรัสว่าเออพ่อเอออีกสิบสองปีถัดจากนี้พวกเจ้าจงพากันมาแล้วก็ให้มหาชนยกฉัตรถวายถ้าครบสิบสองปีมานะของบ้านของเมืองไปเลยลูก พระราชโอรสเหล่านั้นก็กราบทูลมาดีแล้วพระเจ้าค่ะก็พากันถวายบังคมพระราชบิดาก็พากันร้องให้ ค, คําควรเพราะว่าจะต้องจากพ่อจากลูกใช่ไหมจากครั้งเนี้ยจากตายตายแล้วค่อยมาเนี่ยแสดงว่าจากกันเลยแล้วก็เสด็จลงจากปราสาทไปพระนางศรีดาเทวีทรงนำเรียว่าถึงเราก็จะเสด็จกับพี่ทั้งสองน้องสาวคนเล็กเอ้พี่ไม่อยู่แล้วจะอยู่ทําไมเนาะไปกับพี่ดีกว่า ก็ไปถวายบางคมราชเบิดาก็ทรงร้องให้กันออกจากบ้านจากเมืองกษัตริย์ทั้งสามพระองค์นั้นก็แวดล้อมด้วยมาหาชนออกจากเมืองทรงให้มาหาชนกลับไปคือทรงกันไปถึงชายแดนระหว่างหนึ่งแล้วก็เออกลับกันไปเถอะไม่ต้องไปทรงเราแล้วละแล้วกษระสับ ท, ทั้งสามท่านก็เข้าไปสู่หิมมาวันแต่ประเทศโดยลําดับให้สร้างอาสมอยู่ณประเทศที่มีนะ้ํา มีมูลพลาผลบริบูรณ์แล้วต่อไปนะว่าสัตว์ย่อมตายแม้ภายในร้อยปีคือระหว่างร้อยปีนี่แหละส่วนใหญ่ไม่เกินร้อยปีนี่หรอกเกินมากกว่า น, นิดหน่อยเหมือนกับอากงที่เล่าวันก่อนว่ามีอายุเท่าไรอกงมีอายุเท่าไรมีสองขวบเหมือนกันสองขวบนี่ว่านับหนึ่งสองใหม่ใช่ไหมเพราะอายุครบร้อยปีแล้วทีนี้ก็หนึ่งทศวรรษแล้วก็เลยนับใหม่อากงอายุเท่าไรสองขวบแรกครับว่า แล้วกล่องจะอยู่สักเท่าไหร่อยู่สักยี่สิบขวบพอเขาบอกนขออยู่อีกยี่สิบปีตายอายุบางคนนี่อายุยาวเพราะฉะนั้นสัตว์นี้ก็ระวังเนี้่จะเกินบ้างก่็นิดหน่อยถึงอย่างนั้นน่ะถึงจะเกินบ้างสัตว์นั้นก็ตายเพราะชาราโดยแน่แท้ไม่พ้นหรอกตายกันหมดชนทั้งหลายย่อมเศร้าโศกเพราะสิ่งที่ตนยึดถือว่าเป็นของเราที่เศร้าโศกเสียใจก็เพราะการ ยึดถือนั่นแหละสิ่งที่เคยหวงแหนเป็นของเที่ยงไม่มีเลยสิ่งที่เราหวงแหนยึดถือทั้งหมดมีเที่ยงไหมความยึดถือยังไม่เที่ยงเลยนะแต่พูดอีกนั่นความยึดถือแปลแบบภาษาเราแล้วก็คือความรักนั่นแหละความรักเที่ยงไหมโอเช้าบอกรักบ่ายเนี่ยเปลี่ยนแนวะคิดอย่างหนึ่งเลยสภาพความคิดมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปทั้งยึดถือด้วยอำนาจตันหามาณนะที่ที่ความยึดถือเหล่านั้นก็ ไม่มีความจีรังยั่งยืนอะไรเพราะแม้แต่ตันหาก็เกิดด้วยปัใจจัยใช่ไหมตันหาก็คือโลภะเจตสิกเกิดร่วมกับโลภามูลจิตโลภามูลจิตหนึ่งต้องเกิดขึ้นโดยอาศัยวัตถุวัตถุของเขาคือหะทัยวัตถุโลภามูลจิตเกิดขึ้นมีอารมณ์อารมณ์ของโลภาก็คือสิ่งใดเป็นที่รักที่ชอบใจโลภาก็จะอาศัยสิ่งนั้นเกิด ถ้าอารมณ์ที่เป็นที่รักเปลี่ยนไปความรักยังอยู่ไหมโลภะก็ไม่อยู่แล้วก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปนั้นตัวโลภะเองเกิดด้วยปัจจัยสิ่งใดที่เกิดด้วยปัจจัยสิ่งนั้นมีแล้วหามไม่มีแล้วก็หมดไปมีแล้วก็ถึงความเปลี่ยนแปลงหาความจรังยั่งยืนไม่ได้ทีนี้ต่อไปว่าบุคคลเห็นว่าสิ่งนี้มีความเป็นไปต่างๆมีอยู่ ดังนี้แล้วไม่พึงอยู่คลองเรือนถ้าในสูตรนี้เขาบอกว่าแนะนําให้บวชเหมนของเราบวชใจเอากันแล้วกันนะเนาะชวนลุ ก, การก็ไม่บวชแน่นอนเลยบุรุษย่อมสําคัญเป็นจะขันใดไอตัวขันห้าใดถ้าหากว่าความสําคัญนี้เกิดขึ้นว่าขันห้านี่เป็นของเราขันห้าเป็นเราไหมถามว่าอะไรได้ยินเสียงเสียงที่กำลังดังๆนี่อะไรได้ยินจิตใช่ไหมจิตเป็นขันอะไร เป็นวิ ญ, ญาณาขันนะพอจิตได้ยินเสียงทําให้เกิดรายขึ้นให้เกิดผัสสะนะผัสสะก็เกิดร่วมกันภาษาเป็นขันไหมเป็นสังขารขันผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาความรู้สึกต่างๆดีใจเสียใจขณะที่ดังๆเนี่ยความรู้สึกอันนี้เที่ยงไหมไม่เที่ยงใช่ไหมแล้วทําให้เกิดเจตนาก็เรียกสังขารขันแล้วก็สัญญาก็เป็นสัญญาขันหูได้ยินเสียงนี่ขันห้า ขันขันเหล่านี้เกิดด้วยปัจจัยมีแล้วก็ก็หมดไปหาความจีรังยั่งยืนไม่ได้เพราะฉะนั้นขันเหล่านี้เนี่ยของบุรุษนั้นถึงอย่างไรก็เป็นไปเพราะความตายหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปโตปสตต์ภาษาทรูปของเราเนี่ยจะมีอายุสักเท่าไหร่เชียววะเนาะเพราะฉะนั้นพุทธมามะกะผู้เป็นบัณฑิตรู้เห็นโทษแม้นั้นแล้วไม่ควรน้อมไปเพื่อการยึดถือว่าเป็นของเรา ไม่ควรยึดถือหน้ารอกความรู้สึกนึกคิดขณะนี้นะเพราะความรู้สึกนึกคิดขณะนี้เกิดด้วยอํานาจของปัจจัยสิ่งใดก็ตามที่เกิดด้วยปัจจัยอะปัจจัยเที่ยงไหมไม่เที่ยงเมื่อปัจจัยไม่เที่ยงผลของปัจจัยเที่ยงไหมไม่เที่ยงก็ดูจิตได้ยินเสียงขณะนี้ติดได้ยินเสียงเป่าวปล่าเปาปลความคิดเราก็หมุนเวียนเปลี่ยนจากจิตหนึ่งสู่จิตหนึ่งจากอารมณ์หนึ่งสู่อารมณ์หนึ่งโ็อยู่แค่นั้นแ่ะชีวิตของเราจริงๆนะ ก็มีแต่ความคิดที่หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเท่านั้นเองก็คิดเอาแล้วกันนะวนะความคิดเนี่ยก็มีแต่ความคิดซึ่งหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปก็บอกว่าบุคคลผู้ตื่นแล้วย่อมไม่เห็นอารมณ์อันประจวบด้วยความฝันแม้ฉันใดบุคคลย่อมไม่เห็นบุคคลผู้ที่ตนรักทํากาละล่วงไปแล้วแม้ฉันนั้นก็บอกว่าคนฝันเมื่อตื่นจากความฝันเนี่ยมองเห็นไหม ไม่เห็นแล้วนะฝันว่าไปเที่ยวที่โน้นที่นี่ฉันใดเมื่อตื่นขึ้นมามองไม่เห็นฉันใดคนที่ตายแล้วก็เหมือนกันนั่นแหละเวลาเราคิดถึงเขาเหมือนฝันละมานี่นึกถึงคุณปู่นะเหมือนฝันเอาอ่ะทำไมก่อนเคยคุยกับปู่อย่างงั้นอย่างงั้นอย่างมากก็ไปดูรูปถ่ายที่ถ่ายเก็บไว้บ้างนิดหน่อยแต่ก็คือเวลาคิดถึงเมื่อไหร่ก็ไม่ต่างจากความฝันเลยขณะนี้นึกถึงคุณปู่เมื่อไหร่ก็เหมือนฝันเอา เราทั้งหลายก็เหมือนกันที่มีเคยมีญาติมีพี่มีน้องซึ่งตายนี้จากไปแล้วเวลาเราคิดถึงเขาต่างอะไรจากความฝันมันไม่ต่างกันเลยดังั้นคนที่ฝันเนี่ยนะตื่นมาไม่พบฉันใดสัตว์ที่ตายไปแล้วเนี่ยพอเขาตายไปแล้วก็ไม่มีการพบกันอีกต่อไปเว้นไว้แต่เก็บภาพถ่ายเอาไว้แต่ภาพถ่ายนั้นก็ยังผุพังไปบันทึกเป็นวิดีโอไว้ในงานศพ บ, บางทีเนี่ยบันทึกไว้ยังไม่เคยเกิดกลับมาเปิดดูอีกครั้งเลย บางคนก็บันทึกเสียงก็ไม่รู้เอามาฟังทำไมก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเหมือนฝันเอาเลยพระองค์ก็เลยกล่าวว่าบุคคลย่อมกล่าวขวัญถึงชื่อนี้ของคนทั้งหลายผู้อันตนได้เห็นแล้วบ้างได้ฟังแล้วบ้างชื่อเท่านั้นที่ควรกล่าวขวัญถึงของบุคคลผู้ล่วงไปแล้วยังคงเหลืออยู่หันชีวิตของศัก์ที่ตายไปแล้วนะก็เหลือแต่ชื่อ ดีน ะ, ะในเมืองอย่างงี้ไม่ค่อยมีกำแพงวัดที่ประกาศเช่อนะแต่ถ้าหากว่าเป็นกำแพงวัดตามชนบทไปดูเห็นเลยนะนายโกชาตาเมื่อสองสี่เก้าเก้าอย่างเงี้ยจุติเมื่อมรณะนะเมื่อสองห้าสี่นึ่งอะไรเนี้ยเนี่ยแสดงว่าศพใหม่หน่อยบางคนก็สองห้าสี่สองบางคนก็เลื่อยไปเรื่อยอันกำแพงวัดบางแห่งเนี่ยเป็นนั่งไล่หูเนี่ย คนตายนี่ย่ำ ม, มากกว่าคนอยู่จริงๆเลยก็ เ, เหลือแต่ชื่อเท่านั้นแหละที่ติดอยู่ข้างฝาบ้างข้างกำแพงบ้างนานๆเข้าลูกหลานก็ไม่รู้ชื่อปู่ชื่ออะไระไม่รู้ชื่ออะไรก็ไม่รู้ <S <S 1> <S 1> แค่ปูนี่ยังยากนะทวดแล้วไม่ต้องถามเดี๋นะทวดชื่ออะไรเนี่ยไม่มีทางเลยลูกหลานทุกวันใครรู้จักชื่อทวดมั่งของอามาเนี่ยคลับคล้ายครับพลานไม่รู้จําถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นนี้ชนทั้งหลายผู้ยินดีแล้วในสิ่งที่ตนยึดถือว่าเป็นของเรา เพราะของเหล่านั้นเสียไปเพราะเหตุนั้นก็เกิดความเศร้าโศกร้องให้ความตนีและความตนีไม่ได้ถ้ายึดถือสิ่งใดก็จะต้องร้องให้เพราะสิ่งนั้นบุคคลเข้าไปผูกพันในสิ่งใดมากก็จะร้องให้เพราะสิ่งนั้นเปลี่ยนไปถ้ายึดถือในสิ่งใดก็จะต้องมีมัชเรยียมีความตนีในสิ่งนั้นแหละเพราะเหตุนั้นมุนีผู้เห็นนิพานผู้เป็นแดนเกษม และอารมณ์ที่เคยหวงแหนแล้วเที่ยวไปถ้าเป็นท่าอาหารทั้งหลายท่านจะพิจารณาอารมณ์ที่ท่านเกี่ยวข้องท่านพิจารณาอารมณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างไรพิจารณาอารมณ์เหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่พิจารณาเห็นโดยความเป็นของเที่ยงพิจารณาอารมณ์เหล่านั้นโดยความเป็นของทุกข์ไม่พิจารณาโดยสุขพิจารณาโดยความเป็นของ เป็นอนาตตาไม่ใช่เป็นอัตตาแล้วก็พิจารณาเพื่อความเบือหน่ายเพื่อคลายความยึดถือในอารมณ์นั้นๆตามความเป็นจริงต่อไปนะบัณฑิตทั้งหลายกล่าวการไม่แสดงตนในพวกอันตางด้วยนรกเป็นต้นของที่สุผู้ประพฤติหลีเกเล่นผู้เสพที่สงัดว่าเป็นเป็นความพร้อมเพียงมุนีไม่อาศัยแล้วในอายตนะทั้งปวง ถ้าเป็นพระมุนีผู้มีสติปัญญาจริงๆเนี่ยเขาไม่อาศัยการยึดถือในอายตนะทั้งหมดเลยไม่ยึดถือว่าตาเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราไม่สำคัญว่าหูเป็นของเราเป็นเราเป็นอัตตาของเราไม่ petit ไ er สำคัญจมูกสาคัญลิ้นไม่สำคัญกายว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราไม่สำคัญความคิดนี่ว่าเป็นเรา ความคิดนี้เป็นเราไหมความคิดเกิดด้วยปัจจัยนะความคิดเหล่านี้มีแล้วก็มีแต่หมดไปเพราะฉะนั้นไม่สําคัญสิ่งทั้งปวงไม่กระทําสัตว์และสังขารให้เป็นที่รักทั้งไม่กระทําสัตว์ทั้งสังขารให้เป็นที่เกลียดชังรู้ความจริงของสิ่งเหล่านี้ไม่รักและก็ไม่ชังแต่เข้าใจความเป็นไปว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดก็ล้วนแต่มีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดานั่นแหละ เปรียบเหมือนน้ำไม่ติดอยู่บนใบไม้ฉะนั้นหยาดน้ำไม่ติดอยู่บนใบบัวน้ำย่อมไม่ติดอยู่ที่ใบปทุมฉันดมุนีก็ไม่ติดในรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบฉะนั้นอันเกี่ยวข้องกับอารมณ์ก็พิจารณาอารมณ์เหล่านี้ให้รู้แจ้งเห็นจริงว่ารูปอารมณ์เกิดด้วยเหตุกี่อย่างเหตุให้เกิดรูปมีสี่อย่างนะเหตุให้เกิดเสียงมี สองอย่างเห็นให้เกิดกลิ่นมีสี่อย่างเห็นให้เกิดรสมีสี่อย่างเห็นให้เกิดโพธาพะก็สี่อย่างถ้าเห็นให้เกิดธรรมอารมมีกี่อย่างไม่มีสักอย่างก็มีธรรมอารมณ์บางอย่างไม่มีสมุทฐานธรรมอารมณ์บางอย่างมีสมุทฐานเดียวสองสมุทฐานสามสมุทฐานสี่สมุทฐานก็มีอันแล้วแต่ธรรมอารมณ์นั้นๆนะคืออะไรเมื่อรู้จักอารมณ์เหล่านี้แล้วก็ไม่สาคัญมั่นหมายในสิ่งที่เห็น สิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ทราบทางจมูกทางลิ้นและทางกายไม่สำคัญในสิ่งที่ใจคิดนึกไม่สำคัญในสิ่งที่คิดเอาไม่สำคัญในความคิดอันนั้นด้วยเพราะความคิดเหล่านี้เกิดด้วยปัจจัยปัจจัยของจิตนะวัตถุ ก, กับอารมณ์แล้วจิตเหล่านี้ต้องมีสัมปยุตธรรมประกอบสัมปยุตธรรมของจิตชตัดเจนแลก็คือผัสสะจิตทุกดวงต้องมีผัสสะเกิดร่วมด้วย จิตทุกดวงต้องมีเวทนาเกิดร่วมด้วยจิตทุกดวงต้องมีสัญญาเกิดร่วมด้วยจิตทุกดวงต้องมีเจตนาเกิดร่วมด้วยฉะั้นในหนึ่งจิตเท่ากับนามขันสี่มันนามธรรมนี้เกิดด้วยปัจจัยนามธรรมเหล่านี้ก็เป็นขันห้าขันห้าเนี่ยนะพระพุทธเจ้าอุปมารวบขันเหมือนกับฟองน้ําเวทนาขันเหมือนกับตอมน้ําสัญญาขันเหมือนกับพยับแดดวิญญาณขันเหมือนกับ เป็ญาณขันเหมือนกับมายากลนะนั่งคิดอยู่ตรงนี้เหมือนจริงนะเสร็จแล้วเดีวก็เปลี่ยนไปความคิดเมื่อวานเนี่ยคิดเป็นจริงเป็นยังไปหมดเลยนะความคิดเมื่อวานเนี่ยอยู่ไหมหมดไปแล้วความคิดขนาดนี้ก็เหมือนกันไม่ถึงชั่วโมงหน้าหรอกชั่วโมงหน้าก็คิดไปเรื่อยๆเรื่อยัฏโลกนี้จริงๆมีแต่ความคิดเท่านั้นแหละแต่ความคิดเกิดด้วยปัจจัยใครทําไม่ให้คิดได้ไหมเลิกคิดได้ไหมก็บอกว่าจิตที่ไม่คิดเลยก็คือผู้ที่เข้า นิโรธสมาบัติพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไม่ให้คิดแต่พระพุทธเจ้าสอนให้รู้จักความคิดสอนให้รู้ด้วยปริญญาสาในความคิดรู้จักเออนี้ความคิดนะความคิดเกิดด้วยปัจจัยอย่างนี้เรียกว่ายาตะปริญญาพิจารณาความคิดเหล่านี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นด่างหัวฝีเป็นนางลูกศอนเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้น เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายในความคิดอย่างนี้เป็นตีรณะปริญญาเมื่อตามเห็นความคิดโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็จะละวิปลาสได้อ น, นี้ก็เป็นปะหานะปริญญาเพระปหานะสูงๆเกิดขึ้นก็เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจากการยึดถือในความคิดเออเขาสักแต่ว่าความคิดนั่นแหละแต่บอกว่าศักแต่ว่าความคิดนะแต่พวกเราบอกว่าสักแต่ว่าได้ไหมได้ไหม บางครั้งมันคิดเป็นบาปอะสักไปว่าได้ไหมต้องไม่ต้องไม่ปล่อยให้บาปมันเกิดนะถ้าบุญนี้เออความคิดที่เป็นบุญเนี่ยควรพอกพูนมันคิดก็จริงอะแต่ว่าเจตนาที่เกิดร่วมกับความคิดเป็นกรรมสามารถให้ผลได้เพราะฉะนั้นผู้มีปัญญา ย, ย่อมไม่ยินดีไม่ยินร้ายชนนี้แหละอันผู้ที่มีปัญญา ย, ยิ่งๆเข้ารู้จักอารมณ์ทั้งหมดทั้งทางตาหูจมูกเลนกายใจยเสร็จก็ไม่ยินดียินร้ายในอารมณ์เพราะรู้จักอารมณ์ทั้งหมด ตามความเป็นจริงของอารมณ์นั้นๆพร้อมทั้งปัจจัยและเขาทำปัญญาเพื่อข้ามพ้นจากการยึดถือในอารมณ์ทั้งหมดเหล่านั้นแล้วอันนี้ก็ข้อความในชาราสูตรพระสูตรที่ว่าด้วยความชาราชารากะตายนี่มันใกล้กันนะเป็นของคู่กันชารามรณะเนี่ยในปฏิจจสมบทบาทเนี่ยเอามานับหนึ่งเลยความแก่กับความตายเนี่ยรวมเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้น ความแก่กับความตายเมื it, ่ออยู่ใกล้ขนาดนี uh ้แล้วแสวงหาเกาะเธอแสวงหาที่พึ่งเธออะไรเป็นเกาะอย่มว่าอะไรเป็นเกาะพระพุทธเจ้าให้เอาอะไรเป็นเกาะนะจําได้ไหมในจักรวัลติสูตรดูการพิสูจนทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะจงมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยจงมีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลย อย่างไรชื่อว่ามีตนเป็นเกาะมีตนเป็นนิพพึงมีทําเป็นเกาะมีทําเป็นนิพพึงเทกสูในธรรมะวินัยนี้เจริญสติปฐานสี่การเจริญสติปฐานสี่นั่นแหละชื่อว่ามีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งมีทําเป็นเกาะมีทําเป็นที่เพึ่งขณะนี้มีกายไหมพิจารณาได้ไหมถ้าได้ก็เป็นกายานุปัสนามีความรู้สึกไหมมีการพิจารณาความรู้สึกเป็นเวทนานุปัสนามีความคิดไหม มีฉั้นความคิดถ้าคนที่รู้จักความคิดก็เป็นจิตตานุปัสสนามีเจตนามีสัญญาพวกเจตนาสัญญาเหล่านี้ก็เป็นความจริงเป็นธรรมะฉะนั้นการพิจรารณาสัญญาเจตนาเหล่านี้ก็เป็นธรรมานุปัสสนามีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าคนมีเกราะคนมีที่พึ่งอย่าอยู่แบบคนไร้ที่พึ่งนัอย่าอยู่แบบคนอนาถาเลย เพราะฉะนั้นคนเจริญสติปัะญานจึงเป็นคนไม่กำมพราไม่อนาถาไม่โดดเดี่ยวนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้กรรมสมาทานทุกจางผู้จำแนกแจกแจงพระสัทธรรมคำสอน พอนอบน้อมแด่พระธรรมที่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมพอนอบน้อมแด่หมพระอริยสงฆ์ข้าเจ้าทั้งหลายผู้ปฏิบัติในมัชิมาปฏิปทาเพื่อก้าวล่วงบ่วงแห่งกรรมทั้งปวงขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลความสงบเยือกเย็ยนแห่งจิตความเจริญงอกงามภายบนในกุศลธรรมจงมางเกิดมีแก่ญาติโยมทั้งหลายอันนี้ก็นับเป็นอีกอาทิตย์หนึ่ง ซึ่งเราก็ได้มาร่วมฟังพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระชินวรวสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสเอาไว้วันนี้ก็จะขอกล่าวถึงข้อความในคัมภีร์ชาดกจิตสัมภูตะชาดกเป็นชาดกที่เกี่ยวกับพระผู้มีพระภาคซึ่งขณะที่พระองค์ยังไม่ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏ ชีวิตของพระโพธิสัตว์ก็ขึ้นขึ้นลงลงบางครั้งก็เกิดเป็นกษัตริย์บางครั้งก็เกิดเป็นพรามณ์บางครั้งก็เกิดเป็นนกบางครั้งก็เกิดเป็นคนจันทาร์ดั้นชีวิตของผู้ที่ยังไม่ได้ตรัสรู้พระสัตรธรรมเป็นชีวิตที่ขึ้นขึ้นลงลงเอาความมั่นคงหาความแน่นอนไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวข้อความในชาดกนี้ก่อนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะตรัสมีเรื่อง มีเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนว่ามีพิกษุสองรูปสมัยพุทธกาลใช้สอยสมณบริขารร่วมกันมีความสนิทสนมคุ้นเคยกันอย่างยิ่งแม้เมื่อเที่ยวไปบินทบาทก็ไปร่วมกันไม่สามารถที่จะพลากจากกันได้เคยเห็นไหมบางคนเนี่ยไปไหนก็ไปด้วยกันเหมือนกับคู่แฝดไปไหนก็สมมุติว่าพี่น้องบางคนเนี่ยติดกันมากนะไปไหนก็ไปด้วยกันถ้าเจอพี่ต้องเห็นน้อง ถ้าเจอน้องต้องเห็นที่เพื่อนบางคนก็เหมือนกันไปด้วยกันนั่นแหละเจออีกคนหนึ่งก็ต้องเห็นอีกคนหนึ่งคล้ายๆกับคู่แฝดพระพิสูจน์สองรูปเนี่ยนะท่านไปบินธบุรที่ไหนท่านก็ต้องไปเจอการพบการเห็นกันอยู่นั่นแหละไม่สามารถที่จะจากกันได้จีวอเนี่ยเปลี่ยนกันใช้ได้เลยสบายก็บอกว่าของผมก็เหมือนกับของคุณของคุณก็เหมือนกับของผมนั่นแหละไปไหนก็ติดตามกันไปเหมือนเงาติดตามตัว ซึ่งเราก็สามารถจะเห็นคนในยุคนี้หลายๆท่านหลายๆคนไปไหนก็จะไปเป็นคู่คู่ทีนี้พิสูจนทั้งหลายก็นั่งสารเสริญความคุ้นเคยกันของพิสูจนทั้งสองโรบนั้นแหละในธรรมสภาโอ้พิสูจน์สองโรบเนี่ยคุ้นเคยกันดีจริงๆว่งางั้นพระศ า, าสดาก็เลยตรัสถามว่าดูความพิสูจนทั้งหลายบัดนี้พวกเธอประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไร